รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่24คิดว่าไม่เที่ยงใช้ได้ไหมกรณีเฉพาะตนของสำรานพบจันรกร้องอาชีพเจ้าของกิจการลักษณะางานที่ทำต้องคิดอะไรใหม่ๆเรื่อยๆเพราะกิจการจะเกี่ยวกับไอเดียที่ต้องโดนใจคนคำถามแรก ผมติดที่จะคิดเพราะแต่ละวันต้องคิดเกี่ยวกับงานใหม่ๆไม่หยุดแต่ถ้าไปเดินเล่นจะฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเลยรู้สึกว่าได้พักผ่อนตอนได้ปล่อยใจฟุ้งซ่านสําหรับการฝึกเจริญสตินั้นไม่แน่ใจว่าเป็นสติได้หรือเปล่าคือมักบอกตัวเองตอนดีใจมากๆว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปไม่แน่นอนบอกตัวเองอย่างนี้มาเป็นปีๆแล้วและรู้สึกได้ถึงความคลายอาการยึดมั่นลงกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัดถือว่าใช้ได้ไหมครับ แค่คิดว่าไม่เที่ยงก็พอเรียกว่าเป็นการจารสติได้อยู่ครับขออย่างเดียวคือตอนคิดให้คิดเข้ามาที่ภาวะทางกายใจซึ่งกำลังปรากฏอยู่เดียวนั้นเช่นเมื่อรู้สึกซู้ซาปรีดาปราโมทกับการสมหวังก็ให้คิดว่าความซู้ซาปรีดาปราโมทเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปชั่วขณะที่คุณคิดถึงความไม่เที่ยงของความปรีดาปราโมทอย่างน้อยต้องมีแวบหนึ่ง ที่ความคิดจะเหนียวนำจิตให้รู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าภาวะปรีดาปราโมทเป็นอย่างนี้มีความพองฟูอย่างนี้มีอาการลิงโลดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนึกถึงความปรีดาปราโมทที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือล่วงผ่านมาแล้วอย่างไรก็ตามสติเพียงแวบเดียวจะทำให้คุณเห็นเพียงตัวภาวะปรีดาปราโมทแต่จะยังไม่เห็นความไม่เที่ยงของความปรีดาปราโมทการเห็นความปรีดาปราโมทเพียงแวบเดียว จะทําให้คุณยังคงรู้สึกว่าตัวเราปรีดาปราโมทไม่ใช่เห็นความปรีดาปราโมทเป็นต่างหากจากตัวคุณจึงนับว่าสติเจริญขึ้นเพียงครึ่งเดียวไม่ประกอบด้วยความเข้าใจภาวะตามจริงเต็มรอบการจะเข้าใจภาวะตามจริงเต็มรอบต้องมีความสามารถทางจิตเป็นทุนคือไวพอจะรู้เท่าทันว่าความปรีดาปราโมทเกิดขึ้นด้วยเครื่องกระตุ้น และคงสภาพได้ไม่นานก็ค่อยๆจืดจางลงพูดง่ายๆคือทันทีที่เห็นกับตาหรือได้ยินกับหูว่าธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จสติของคุณต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทราบชัดว่าใจฟูแล้วปากยิ้มร่าแล้วโดยยังคงความรู้สึกตัวว่าคุณกำลังอยู่ในท่าทางแบบใดนั่งหรือยืนเกรงหรือผ่อนคลายกับท้งเห็นตามจริงว่า อาการใจฟูปรากฏอย่างไม่สม่ำเสมออารมณ์พุ่งขึ้นเป็นลิงโลดเต็มเหนียวแล้วตกกลับลงสลับกันเป็นช่วงๆอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเกิดสติเห็นตามจริงเต็มรอบโจทย์อยู่ตรงนี้ครับทำอย่างไรสติจึงไวพอจะเท่าทันเป็นอัตโนมัติในทันทีที่บังเกิดความปรีดาปราโมทขึ้นมาคำตอบคือ อาศัยความเ น, นก้อๆคิดๆแบบที่คุณทำอยู่นั่นแหละทุกครั้งที่ปรีดาปราโมทต้องคิดไปเรื่อยๆว่าภาวะปรีดาปราโมทเกิดขึ้นแล้วและไม่เที่ยงการคิดเช่นนี้เรื่อยๆจะเหมือนการหย่อดกระปุกสะสมสติทีละบาด ท, ทีละสลึงเมื่อเห็นความปรีดาปราโมทบ่อยจนกระทั่งคุ้นกับภาวะนั้นกระทั่งจาได้ขึ้นใจว่าสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว แล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปตามเคยนั่นเองเป็นบ่อเกิดของอ น, นิจจสัญญาอ น, นิจจสัญญาคือความหมายรู้ว่าภาวะทางกายใจไม่เที่ยงภาวะใหญ่น้อยทั้งหลายทางกายใจไม่จีรังเกิดด้วยเหตุแลวต้องดับลงเป็นธรรมดารวนแปรคลี่คลายจากความเป็นสิ่งหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกสิ่งหนึ่งตลอดเวลา แต่หากคุณคิดถึงความไม่เที่ยงของสิ่งอื่นเช่นความรุ่งเรืองหรือความซบเซาของกิจการอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเอาใจไปใส่กับเรื่องนอกตัวการคิดถึงความไม่เที่ยงของเรื่องนอกตัวนั้นก็ทำให้ใจสละวางได้เพียงเรื่องนอกตัวแต่จะยังไม่สละวางเรื่องในตัวเมื่อไม่สละวางเรื่องในตัวก็ไม่ได้ชื่อว่าสละวางต้นเหตุอุปาทานทั้งมวล คนที่มีอาชีพทางการคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆนั้นเวลาประสบความสำเร็จจะพองฟูและยึดมั่นถือมั่นหนักกว่าความสำเร็จของคนทั่วไปเพราะจะรู้สึกเด่นเป็นพิเศษว่าตัวเราเป็นคนสร้างนี่เป็นผลงานของเรานี่คือความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราผลงานที่สำเร็จนั้นจึงก่อให้เกิดมโนภาพตัวตนเด่นชัดเป็นปมเรืองยากที่จะรู้สึกว่าปมเรื่องนั้นไม่เที่ยง แต่หากสะสมความคิดว่าปมเขื่องไม่เที่ยงเป็นแค่มโนภาพเป็นแค่ความปรุงแต่งทางใจใหญ่ได้ก็เล็กได้ในที่สุดก็เกิดอนิจจสัญญากับปมเขืองได้เช่นกันครับคำถามที่สอง ทราบมาว่าการให้ทานและการรักษาศีลจะเป็นฐานให้เจริญสติได้ดีและเมื่อเจริญสติได้ดีแล้วจะมีส่วนเสริมการให้ทานและการรักษาศีลยย่งยิ่งขึ้นแต่ผมสังเกตตัวเองเวลาให้ทานยังมีความตระณีและยังไม่เต็มใจรักษาศีลบางค้ออย่างนี้แปลว่ายังเจริญสติไม่ได้ดีใช่ไหม คุณสามารถดูใจตัวเองขณะทำทานและรักษาศีลไปได้เลยครับทั้งก่อนทขนาขณะทำและหลังทำดูว่ามีความฝืนใจแค่ไหนดูว่าความฝืนใจนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่าพยายามเอาชนะอาการฝืนใจเพราะจะเป็นการหลอกตัวเองกับทั้งปล่อยให้ความฝืนใจเกิดขึ้นอย่างสูญเปล่าโดยไม่อาจเอามาเป็นเครื่องมือฝึกเจริญสติ เมื่อเห็นมนทินในการทำทานและรักษาศีลบ่อยเข้าจิตจะค่อยๆ ค, คลายจากอาการก่อมนทินไปเองโดยไม่ต้องฝืนเพราะสติรู้ตามจริงจะทําให้จิตฉลาดได้เองว่ามนทินเป็นส่วนเกินในการทำทานและรักษาศีลในระยะสั้นคุณเป็นสุขที่จะทำทานรักษาศีลมากกว่าเดิมส่วนในระยะยาวจะรู้สึกถึงความเบิกบานเต็มที่จิตมีอาการให้ทาน หรือมีอาการห้ามใจงดเว้นพฤติกรรมที่ผิดศีลผิดธรรมและเมื่อเกิดความเบิกบานในการทำทานรักษาศีลเต็มที่คุณก็จะรู้สึกว่าจิตมีกำลังสติมีความคมชัดยิ่งยิ่งขึ้นนี่แหละครับการส่งเสริมกันไปส่งเสริมกันมาของทานศีลและการเจริญสติ